<laughs> ย่อมตัย่อมแล้วย่อมแล้ว้วกเดกน้อยแล้กเดกน้อยเอาหาบน้ำใส่บ่าเอเอาน้ำใส่บ่ามันหนักมันก็เลยร้องออ้ยไม่ไหวไ่ไหวเรื่องขายายมันก็บอกเหมือนกันนะันหนักมันไม่ไหวช่วยด้วยช่วยด้วยต้องดมิเตอร์ล ใช่ไหม <c oughs> อา น, นี่ธรรมชาติแม่นม้ำฝนท้องฟ้ามันเล็ดน้ำในช่วงบริฤดูฝนเนี่ยมีเท่าไหร่มันออกบทนันรูทำไมจึงเลดน้ำออกขะต่อไปนี้อีกไม่กี่วันข้าวในานาจะสุก ถ้าน้ำในท่องฟ้าไม่หมดก็เป็นผลกระทบต่อเม็ดข้าวจะต้องไม่มีคุณภาพธรรมชาติเปียงนี้การปฏิบัติธรรมก็เช่นกันไม่มีธรรมชาติกดธรรมชาติหน้าที่ธรรมชาติ ้ามีหลงมันจึงไม่มีไม่หลงคู่กันก็มจแจะหลงคนก็อยู่ได้ไม่ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีไดาจึงเชื่อมั่นในการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าซึ่งกิตติธะเป็นสามัญชนคนหนึ่ง งั้นกับพวกเราสามารถพัฒนาตามหลักธรร ม, มาอันถูกอันต้องวาจะถูกจะต้องก็ผิดพลาดมาเยอะเกือบจ้เาชีวิตไปไม่รอดใช่รวา ถ, ถึงหกปีจนได้หลักเลย ท่านได้ทางเหยียบเช่นทางได้เราเชื่อมัน่นเหมือนกันกับพวกเราสามัญชนเมื่อปฏิบัติถูกต้องก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ที่เป็นความเชื่อของพวกเราจึงไม่ชดุดทาเชื่ออย่างนี้เป็นทุนของทุกชีวิต ศรัทธาเป็นทุนใหญ่ทั้งทุนให้แล้วมีวัตถุปกรณ์ที่มาสร้างสามเมกามีจิตใจเอามาประกอบให้เกิดอะไรขึ้นในกายในชีวิตจิตใจของเรานี่ก็มีสามถาวรมีวาจามีกายมีจิตใจเขินกันอยู่ จิตใจเป็นต้นเหตุเทาวาันของเก็บคือความคิดนี่แหละเป็นต้นเหตุเทวานของปากก็คือวาจาคำพูดมือที่สองจากจิตใจจากความคิดทาวาันของกายก็มีมือห้านิ้วสิบนิ้วมีร่างกายสามารถทําตีทำชั่วได้ เป็นจำเลยลองลงไปงที่เกี่ยวข้องกับเรานี้คือสตินี้ไม่พ้นจากสายตาแห่งความรู้สึกตัวนั่นใจตรงนี้ถึงเกิดความเปลี่ยนขึ้นมาไม่มีศรัทธาเรา้าลบควมเปล่ยนยังเราได้สาธยอาพะสูตร อย่างบนีิถิวิเกเวสัมมาวายาโมขี้ไปเลยพุทเจ้าขี้ไปเลยความเพียนชอบเป็นอย่างใดเล่าต่อไปเป็นขบวนไปเป็นระเบียบที่ดีเวลาเราปฏิบัติมีศัดทาแล้วไม่พอมีความเพียร ในการทำจริงร่ายให้เป็นความดีได้มีมาเท่าไหร่เปิดมาเท่าไหร่เกิดจากจิตใจที่มันคิดเราก็เห็นคิดอะไรมีสติมีความเพียรแล้วมีสติไม่ สองภชนญจะรูปตัวเกี่ยวข้องกับความคิดที่มันคิดขึ้นมาเราไม่จนตรงหนึง่งเปลี่ยนได้ตรงหนงึ่งไม่จิตไม่ใจต้องไว้ได้ล้มเรลุกได้คิดใจไม่เหมือนกับต้นไม้ถึดแล้ว ตั้งต้นใหม่ได้คิดใหม่ได้มันเห็นมีความเปือนมีสติสมชัญญาอว่ า, วานี่อยู่ในกำมือของสติได้จับหลักมันได้ละความชั่วด้ถามความดีได้ไปจิตใจในความคิดคิดเป็น ได้ผลจากอันคิดไม่เป็นบอกสอนได้บทเรียนนี่คือความเพียรคือมีสติคือตั้งมั่นได้ตั้งงั่นตรงนี้หัดไปหัดบาก็มัดได้มั่นคงได้เราไม่สติ สมาสติแนวมีหลักขึ้นไปมีสติเห็นกายอยู่กันประจำจะไปไหนได้บา <c oughs> ที่เกาะแล้วบ้าฐานแล้วบันงเห็นฐานคาดมันกับฐานยิงจรวดเหมือนกับฐานคาดขึ้นมาขึ้นได้ เหนฐานมีตั้งวิถีฐานฐานทัพยายภูมิสมองภูมิเพื่อจะทำอร่อไอร่อฐานน่ะงั้นอยู่ตรงนี้มีสติตั้งไว้ในกาอยู่เป็นประจำความรูปแบบของพระเจ้าก็สอนไว้ แขนกายไ ป, ไป็นประจมขูดแขนเข้ายาแขนดอกเนี่ยทำได้ทุกคนนี่ยไหมมือมีสองมีแขนสองแขนไหมแขนซ้ายแขนขวาทำได้ไหมยกมือมานี่ลู่ได้ทุกคนลู่ได้ทุกคนหอมมือออกไปลู่ได้ทุกคนเนี่ยไม่ทานนะจะเห็นอะไรมาลู่จุนีิ ต่องการข้ามเห็นมันหลงหลงทอนน้อยมาได้เลยเราลูกเป็นถอนอยู่แล้วยิงแมน่นมีสติเป็นกำลังพลแมน่นเหมือนิดผิดจริงๆเห็นถูกก็ถูกจริงๆริปงปอกคผิดืลยไม่ลูกเห็นเป็นลูกแมน่นได้ทุกโอกาส เวลาเราปฏิบัติตมั่นใจมั่นใจมันเหมือนกับว่าได้ใครพรมที่ดีมาเลยก็ศึกจะมาจะท่างไหนในกำลังคนเพียงพอเนี่ยไหมแสดงมาท่านไหนทางคิด อมันคิดไหลขึ้นไปมีกำลังมากเด้อประคำลังที่ไปมีฐานเพืเอ่อบังคับการโดยเฉพาะความคิดบังคับการได้จบมาได้มีฐานตั้งไม่ใชไ่ไหลไปตามมันเหมือนสาหลัก ก็มั่นคงแต่ก็เห็นอะไรต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจหรือว่าทำมาลมเกิดขึ้นมากเายเห็นหมดช่องถูกช่องเปิดจังงางๆเนี่ยฝึกอย่างนี้วิธีการมันก็มีอย่างนี้เอากายเอาใจเป็นวัสดุประกอบ เพชรมนออกมาสร้างมันขึ้นมาตอนไม่มีทำให้มีขึ้นมามันมีแล้วสิ่งที่ไม่ดีละได้ตอนนี้ตอนเราฝึกเนี่นุกละวอมสุกสดุกละอากุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้สําเร็จป้องกันอากุศลที่ยังมาเกิดไม่ให้เกิดขึ้น ได้สาเร็จเพราะมีกำลังคนเหมือนทหารหานป้องกันศัตรูของประเทศตอบจจบ้านี่ก็ก็ได้ไม่มีที่ลับในโลกได้ขโมูบมาได้ข่าวมาสอบถามมาได้พิรุษ รถคันหนึ่งวิ่งมาเปมีพิรุษหอหยุดตรวจนอยอบ้าใยหยาหมหาอะของพิษนั้นก็ยังทำได้นี่เมื่อเกิดกับเราแท้ๆน่า เ, เาลยเราโลดจับเพราะหลเป็นฐานที่ตั้งไว้รอบคอบจุดช่องแคบ ใช่ไหมช่องแคบอะไรมหาสมุทรช่องแคบมารค ก, กาหรืออะไร <laughs> okay. เหมือนที่กับปร ะ, ประเทศสิงคโปร์เขามีมหาสมุทรเขาไม่ทะเลเขารัชมิทะเลเขาแทนที่ตางอากาศไรรับติจุดช่ <laughs> <laughs> ไห ทะเลที่ผ่านมาเรือที่พยายามผ่านมาทางประเทศไทยต้องผ่านเข้ามาสิงคโปร์ต้องแวะสิงคโปร์สิงคโปร์ ต, ตรวจศพเก็บภาษีเดินผ่านประเทศเขาเหยียบแผ่นดินเขาต้องเก็บภาเหยียบแผ่นดินเรือก็เหยียบแผ่นดินของเขาคือทะเลใช่ไหมต้องเงาเก็บภาษี เหมือนคนเราไปประเทศอื่นไปเหยียบแผ่นดินเขาต้องเสียค่าถ้าจะปลอดต่อวิชาถ้ามันมีต้องว่าถ้าไม่เสียเงินต่อวิชาผมไมเข้าประเทศหยุดดัานมีช่องแคบแม้จะนั่งเครื่องบินผ่านท้าไปมันก็ไม่ไปที่ไหนบ้างไม่มีช่องแคบ ต้องผ่านประตูเข้าไปเห็นทุกคนเขาตรวจมีอะไรอ้างเฮ้ยรถสปอร์ตมีวิว่ชาไปก็ดูอ้าวได้เขาให้เข้าประเทศเขาได้เนี่ยคือพิที่หน้าที่ของชีวิตเราเราจะผ่านมากำลังพลสติรู้สึก เป็นขบวน ด, ดีดีปฏิบัติธรรมนะอุ่นอกอุนใจเหมือนพระเจ้าอยู่เฉพาะหน้าจริงๆมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเช้นเราส่อทยายพะสูตรงต้นจากอริมักปฏิบัตทาการละเนรชีวิตอกจากทุกมีหนทองประเชด มาเลยบัญญาสมมาทิฏิเห็นชอบเนี่ยเป็นกระบวนการบัญญาสมมาสมกับเปะดังดีชอบมาอะไรเลยหนออย่างที่ช่วยชนสนุนเราไม่จนเป็นผู้ไม่จนชีวิตที่ไม่จนชีวิตไม่เป็นหมอนจริง มันมีทางอยู่ความผิดความถูกไม่ล้อไม่รีบนี่ชุดิหน้าที่รู้เห็นเลยละควงชั่วทําความดีป้องอกันอคศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ละไปแล้วเหมือาละอคติไปแล้วมันก็มีกุศลที่เกิดขึ้นแล้วละสารอคติที่เกิดขึ้นแล้ว จนตั้งมัน่นจนตั้งมัน่นไปบุญโอกงามม้่นคงเต็มโลกผู้ชนเมื่อมันไม่ตั้งมัน่นเจ้ากายสู่มรรคสูญอะไรพ้นไปอะไรหมดไปโอ้สู่ความ อาณาสงฆ์เขาการปฏิบัติสมมาส ม, มาถิเงินพ่อแม่เรื่องโลกสาเร็จเป็นผู้เป็นคนเป็นครอบเป็นครัวมีงานมีการมีสติปัญญาเป็นนายแพทย์ก็มีอยู่นี่นักบวดเป็นนายแพทย์ก็มีเป็นนายพันก็มีทหารตากาศก็มีอยู่นี่ พ่อแม่รู้ชื่อยังไงเป็นสัญญาสีบุคคลพ่อแม่ที่มีลูกเป็นคนดีตกอยู่ในภาบสัญญาสีคนนั่นออกมาข้าวมาคนนี้เอาเชื่อมาคนนี้เอาอาหารมาจนพ่อแม่บอกว่าย่ามาอย่ามามันมากแล้วจะพากันหมดไอยากอะไรหมดไปอยากสัญญาสีบุคคล ไม่ใช่เป็นขรั่งหัดต่อต่ก่อนเป็นขรังหัดหลังโซผ้าหน้าโซดินเมื่อหิวบ่าหับดันหนักบากต่อไปก็โรคใหญ่โตขึ้นมาเป็นสัญญาสีบุคคลจนได้เป็นโอ้ดีเด่นเม่ดีเด่นมีในโรคเี่ เนื่ยโลกสำเร็จประโยชน์สัญญาศีลุงคลวินอนัยสจฆงของกรมรมของตนที่ได้ทำมาได้เหมือนสัตว์ตราชานมนุษย์มันประเสริฐ จ, จากเด็ปฏิบัติดีเกิดเป็นพุทธะเกิดเป็นมักเป็นผลนานผู้ที่รู้ ก, ก่อนแล้วนี่ชื่อว่าพระพุทธเจ้า วเสร็ที่สุดเราลูท่ทีหลังหรือว่าผู้สาวกหรือผู้ไม่รู้ธรรมหูาบาศบอจิกาไม่เป็นเหมือนๆมือนเฉินมาเช่แ เ, เรามางบุกเบิกมีมาแล้วอยากไปนี่ไปสอบทำสารหลวงถามว่าหูบะบุคคลคือใครหูบาบุคคลคือบุคคลเช่นไร ผู้ประกอบคลคือพระพุทธเจ้าเราสาวกทั้งหลายเราสาวกพราหันทั้งหลายเป็นถูประกอคลถ้าเป็นสถูปที่ไหนควรยกมือกราบ้าว้ควนยกมือกราบปหว้แม้แต่ที่ผุนก็ดูอธิธาต์เราก็ยังกล่าวไหา้ โผ่่บุคคลมีมาในโลกนี่แล้วมานานกีนเล่าสองพันสามพันปีมาแล้วน่าจะอุ่นใจปล่อยตัวเงทิ้งทำไมเจ้าโศกล่างทำไมคิดอะไรทำไมแต่เราช่วยก็ต้องช่วยตัวเองแม่เราคิดจะช่วยก็ช่วยม่ได้เราเพียงแต่บอก มืนพระธเจ้าเจ้าเปนแต่เพียงผู้บอกเราน่างถือว่าทำหน้าที่อยู่แล้วส่วนการกระทำาแตนหน้าที่ของพวกเธอทั้งหลายเราจึงบอกมันเาพูด ก, กันเบี่ยงพวกเรามาอยู่อย่างนี้สภาพเช่นนี้พูดในฟองทำให้ดูอยู่ให้เห็น ก็ยังตืนมิตรกันันยานมิตรกันจะห้ยกันชาชานีาทมิกระเพื่อนชาทำมิกคือชหายนั่นหละชาหายไม่ใช่คอมมิตนะเพราะว่าสมัยี่สิบกว่าปีก่อนกามหาหลวงพ่อที่นี่ก็มีคอมมิตนะใช่ไหมฮะเข้ามาพวกผมเป็นชหาย ผมเป็นฟัวหน้าสหายที่จริงมันสหธรรมเนยมามาจากสหธรรมเขาไปเป็นสหายกลายเป็นขมิดแต่ไม่ใช่ก้เราเป็นสหธรรมสหายผู้เจ้ายังพูดเรื่องนี้เลยมีเพื่อนดีสหายดีมิตร ด, ดีทั้งหมดของพรมจารย์วานนี่เลยป้าวานาสหายหกสิบกว่าลูก ร่วมกันลงเป็นทองเผ่นเดียวกันเป็นทองเท่นเดียวกันกอดคอกันในสีมา้าในสีนส้ำเออเนี่ยเธออุ่นใจทีย น, นี่มีพระสงฆ์ร่วมตป็นสังหายธํากันไม่ทอดเป็นที่งกันหกสิบบุรูษที่สีน้ําที่ิม กบว่าสิมฉิมมันสีมังงานเนี่ยมันมังงาจากกาว่าสิมแต่ก่อนเขาเรียกสิมนะตอมังงาแลว้วมันเรียกสี ม, มาต้นจำเดิมมันสิมดต่คือสิมน้าวัดเราเนี่ยหลวงพ่อไปขอว่าผู้ใหญ่ว่าขอบวชที่ได้ไหมเจาว่าก็บวชได้แต่ว่าอันมันเหมือนกระดูถูกสีมังงาทั้งหลาย <laughs> เหมันก็เหยียดยามกันแกินตายสีมาก็สร้างเปนสิบล้านยี่สิบล้านอันนี้มาสร้างสองหมืนบาทน้นเหยียบแต่มันคบหน่วมกันแกินตายอย่าบวชเถอะไม่บวชก็ได้อยู่ตามทําไว้ไนยแต่มันโคบหน่วงกันแกินตายหลวงพ่อไปบวชชาด้วยแต่วัดนี่ก็เป็นวัดของเราด้วยวัดของตนบวชตาย อาวัดของคนอื่นถ้าเขานี่มนเขาไปบวชได้ถ้าเขาไม่นี่ยมนบวชไม่ได้เพราะเจ้าวาดเป็นใหญ่โยมนี่ยมนไม่ได้ต้องเจ้าวาดปัดนั้นมีหนังสือมานี่ยมนไปเคยไปบวชอยู่โน่นประเทศศะดาดอนนี่ฝรั่งเราไปอยู่ที่โน่นออมานี่ยมนเจ้าคนวัดทำมา ทำมาลาพิกาโก้เจ้าคนก็ถามล ว, ว่อวาอหลวงพ่อเป็นจุปชาไหมเป็นหรอโอ้ยนี่โยมมาจากบังเามาเขาว่าอยู่นี่จากแถบพิกอ่าลดานะเน่ราจะทำบุญพ่อเก็จะบวชเอาไว้ในมณฑหลวงพ่อไปบวชไดไ้ได้ไหมได้ได้ญาติโยมในม น, มน อ๋อเจ้าวาดเจ้าเจ้าวาดนี่มนโนเอ๋อนี่ผ ม, มเป็นเจ้าวาดผมมาเองมนี่มโนนไปไม่ได้ต้องเขียนเปรร็นลักษณ์อักษรมาเขียนมาชื่ อ, อ๋อนีมโนนไปบวดที่หนอนอ่านแล้วก็เก็บไปเป็นหลักฐานถ้ามีใครมาฟ้องเอ้าทําไมไปบวดที่นูน่นนี่หนังสือเรา น, นี่มโนนมาตามทําไว้ไหนไม่พิษอันนี้ก็พูดไป <laughs> ออเพราะนั่นนี่เราจริงวุ่นใจเมื่อวานนี่ได้สาทำและสะหายร่วมกันแล้วก็ขยายไปถึงญาติแขงโยมด้วยข้าบกหลงหมอขาโห่อหลงไห้พวกเราอย่าโทษจะเที่ยงกันอย่าทุกคนเดียวอย่าหลงคนเดียว ท่าก็เคยคนอื่นก็เคยหลงสิ่งที่เราหลงคนอื่นไม่หลงมีแล้วนะเราทุกคนอื่นก็เคยทุกสิ่งที่เราทุกคนอื่นเขาไมทุกมีแล้วนะที่เคยทุกก็เมืนกันเขาไม่ทุกแล้วเรื่องที่เราทุกเรื่องที่เราโกรธคนอื่นที่เพื่อนเรานั่งอยู่นี่ก็เคยมีความโกรธเพราะเรื่องความโกรธ แต่เพื่อนของเราไปโกรธแล้วเริ่มที่เราโกรธปีแล้วนะให้ให้อ่นใจอย่าไปโจรคนเลี้ยวบอกกันบ้างกอรสือสานก็มีโทรแล้วชอบมาอ๋อเป็นเพื่อนเป็นมีกันโทรชอบมาศูน์แปดเจ็ดสิดเจ็ดก็ หลุดจากเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์สามเจ็ดเก้าโผ่มาีนี่เรามีมิตรมีเพื่อนไม่ใช่เราคนเดียวเราไปไป่ได้เราแก่เท่าเพื่อนเขาเราที่นี่เป็นแขนเป็นขาเป็นปากเป็นเสียงไปสติปัญญาแทนกันได้สหายสหายธรรมเราจึงกล้ากล้าก้าชวนคนเกล้าชวนคนมาอยู่ที่นี่ตรงไม่หลงบาเกินไป เราไม่เพื่อนเราไม่เพื่อนไม่ใช่เราคนเดียวถ้าเราคนเดียวเราไม่กล้าชวนคัวนวันรามีหายทำหกสิบลูกเป็นทองแทนเดียวกันไม่วันจะเป็นอื่นเรียก ว, ว่ากันยาณมิตรไม่เหมือนญาติพี่น้องนะกันยาณมิตรเนี่ยไม่วันที่จะแตกเล่าทำวิธีกันญาติาพี่น้องจะทะเลาะกันนะฆ่ากันก็มี ถ้าถึงกันละยานมิตรนี่ฆ่ากันมาได้ทำลายกันมาได้เพราะมันถึงใจนี่คือสหายธรรมให้ถึงพวกเราด้วยตลอดแม้ที่เป็นมือของพวกเราจะ <c oughs> ทำมิสหายธรรมสองคนที่จดคือผู้หญิงที่นี่ที่อื่นก็สองคญนะเพราะนั่นเราสร้างกติ มีแต่ผู้หญิงมาขอสร้างแล้วจะไปสร้างไว้ที่ไหนกับม่ได้กต้องแย่ yeah. ต้องเบียดกันอยู่นี่เหียดกันอยู่นี่อ๋อมีแต่ผู้หญิงยอมหรอจําเป็นต้องสร้างเบียดเบียดกันเท่าไหร่พออยู่ได้ไหมเบียดเจอกันก็ดีไม่ต้องเจี่ยวกันไปสำหรับผู้หญิงให้อยู่ก็บอกเ จ, จอนังสือเจาะไปตรง น, นี้ก็ได้เนี่ ออกไปตรงนี้ไปแถวอาจารย์ตุ้มสร้างไว้สองชั้นที่นั่นไ้าณสักสามหลังทำสะพานก็้าไปนี่ทําเป็นสะพานเข้าไปบางทีเราไปบอกของอิ่มมาขอสร้างไม่มีที่สร้างมะห้าร้อยไร่ไม่มีที่สร้างเลอยลอาจารย์ตุ้มบอกว่าไม่มีที่สร้ า, <laughs> า, า, าง <laughs> เหมืกับโกงกันกันไปห้าร้อยไร่ไม่มีที่สร้างไหมืกับโกรธเราไอ้เขามาคิดนะนี่เขาก็เลยไม่ใช่เรามีอยู่คนเดียวก็มีเพื่อนมีมิตรไอ้เราแกแล้วก็มีเพื่อนอาใช้ได้จริงจริงต้นวิจวัต อ, อยู่ที่ไหนนี่เป็นฐานเขาเราหลายแบบหลายอย่างเนี่ยโจนชาวบ้านแม้บ้านน้อย ก็ยังเพ่งบาลสียกันได้อุ่นตุกค น, นใจมัดจกโตใหญ่กว่าบ้านเทาพายหวานหมูจีเบ็นะถ้ามัพาหวานหมูจีเบ็ดร้อยหลังขาเรือมัดปลาจัโตร้อกลัวแล้วเด็ดเดี่ยวร้อยก็ <laughs> ยกัวหลังาแล้วใหญ่กว่าบ้านเท่าพายหวานใหญ่กว่าบ้านใหม่แมน่นบอพอทยุอ๋อ <laughs> อร า, าจะอย่างนี้นัองจะอุ่นอบคนใจนะมีที่เพ่งปาอาแล้วก็หนักแน่นการละยานมิตรสหายธรรมพวกเราที่ต้องอยู่นี่เป็นผัวเป็นเมียกันแค่นั้นไม่เอาต้องเข้าถึงสหายสหตธรรมเป็นกันรละยานมิตรมันจะหนักแน่นมั่นคงไม่ขาดง่าย ถ้าเป็นผัวไปเมียกันเฉยๆมันขาดได้ลึกเข้าไปถึงเป็นพ่อเป็นแม่กันได้บากผีปากไข่ต่อกันได้เพราะใหลวงพ่อนี่มีจานต้มจานโนดชุดขี้ชุดเยี่ยวให้นะเวลาลป่วยโรงาบาลนะเวลาปวหนักก็เรียบไปเลยลาดไปเลลุกไม่ทันเขาหน้ามันเลย นี่อ่าดไปเลจานตมจานเราต้องเค็ดแท้งรักผ้าจักขวนหน้านี่มันยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่อีกใช่ไหม น, นี่คือการระยายนมิตรสหายอยช่อมเพราะนั้นเราจะไปเปรี่ยวเดีวได้ทํทำไมยิ่งเรามีธรรมะยิ่งเป็นอที่พึ่งพาอาศัยเป็นวิหารธรรมให้เราพึ่งพาอาศัย เอาถึงนูน่นสมาสมาธิมีอั น, นชฌงแล้วตอนนี้อเ น, นชงสมาสมธธาธิปิติปัจฉิฌานสมาบัติแต่กันว่าเจ็บไข้เดรัจย์ป่วยอยู่ในฌานสมาบัติมันมีความสุขมากกว่ากามมาลมนะปิติปิิวิตกวิจารปิติสุขเอเตอขักต่มันประเผชิญกว่ากามมาลม หรืมื่อรามันเจ็บมาอยู่ตรงนี้ถึงว่ามันแผลมันอยู่ตรงนี้นะวิจตกวิจารไปตีสุขไปตัดตัดสุขในถมในศีลในสมาธิในปัญญาในความเห็นแจ้งรู้จริงเอาความเก็บเป็นฐานเกียบมันเหมือนพูดเมื่อวันนั้นเกียบมันสูงขึ้นไป ในความแก่จนเจ็บเหยียบมาขึ้นไปในความทุกข์เหยียบมันขึ้นปไปมันได้สูงขึ้นไปมันสูงกว่าความทุกข์มันสูงกว่าความสุขขึ้นป่ไนเล่งอยู่ในฌานสมาบัติแบบนี้ผู้ใดประพฤติทำย่อมมีได้อย่างน้สูงได้เหมือนพ่อแม่เลี้ยงลกูกมางสัญญาสีบุคคล สัญญาสีบุคคลเอาใช้โลกเอาใช้เตา้าผู้พิว่าทธรรมก็ต้องมาใช้ธรรมธรรมย่อมรักษาผู้พิทําทไม่ตกไปในถี่ชั่วตรรมย่อมรักษาผู้พิทบาอยู่กันนิดเป็นอย่าง น, นยิ่งกว่าโลกเตาโลกเต้า อ, อยู่นู้นจังหวัดอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นแต่ธรรมอยู่กับเราทุกเวลา นักผู้เผยธรรมทรรย่อมรักษาผู้เผยธรรมอยูาา่ยเป็นนิด ท, ทุกคือเป็นตัวโอกาสเรานี่เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติชีวิตของเราย่อไปจนตัวนต้ดึกชุดตะดุ่มให้มันได้มีธรรมเป็นที่อา ศ, าศาัยเหมือนกับสังกิจปมาเดนอายุเจ็ดปีเป็นทหารแล้ว สมัยข้าวุฒเจ้านะมีแล้วนะตอนนั้นอย่าไปจนก็มีลูกไปเจ้ากับเลี้ยงลูกให้มันดีใช่มันดีพามันมาเข้าวัด น, นั่งอยู่เนี้ยเนี่ยน่าชื่นเฉิมเอาเด็กมาลองให้ที่นี่ดีนะอย่าไปอายนะ มันฟังเสียงเด็กลองให้ดีกว่าฟังเสียงเพลงนะใช่ไหมมาชีฟังเพลงมันมันจอมปลอมมันหลอกลองวงฟังเด็กลองให้มันมันสนุกหรือเอามาให้มันลองให้อยู่นี่มั น, นอนอยู่ในตักเนี่ยอาไ ว, วกลัวพระจะลังเกียด น, นะเป็นครอบครัวของเราวันหนึ่งเดือนครอบครัวขับรถพาลูกพาหลานมา มันอนนว่ากินข้ายกับโอเพควบสุขสาหรับที่นี่นะไม่ังเกียดม่ตันีขี้เหนียวก็นะจนไม่มีอาหารกินอาหาอมาจาตุ้มหามจนขี้บุกขี้เก็บอกได้เป็นมือเป็นขาเป็นปากเป็นเสียงแงกันได้ เกอกเลยว่ายใจด่านี่คือสหายธรรมกัลยาณธรรมสภาวะธรรมเป็นอันเดียวกันเลยบัดน่ยแต่ไม่เราเป็นคนคนเดียวกันโูกต่างพ่อต่างแม่ต่างตระกูต่างนิสัยใจคอพอเข้าถึงสภาวะธรรมแล้วเป็นอันเดียวกันเรารู้จักกันด้วยสภาวะธรรม มาใช่รู้จักกันในญาติชาติตะกูลแล้วรู้จักกันในสภาวธรรมเป็นอันเดียวกันมีสติรักคอามช่วยทำความดีเห็นอกเข็งใจผู้ดใดรบผู้ดใดหลงก็ช่วยกันมันเดียวกันโยสภาวธรรมจับมือจักแขนกันตายพูดในการฟังบอกกันบ้างเอารู้จักกันในในทางสภาวธรรมมาใช่รูจกก้จักของรวยใบหน้า เห็นใบหน้าก็เห็นสถาวัฒน์ฟังสองหน้าหน้าเนื้อหน้าในหน้าเวียกหน้างานหน้าเนื้อหน้าในหน้าเนื้อคืออย่างนี้ไม่ใปุ๊กหน้าในอีกเห็นดิเห็นหน้าในเหนหน้าใจเพื่อเพื่อเพื่อ่ช่วยงานช่วยกันเหี้ยฉลาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาทุ่มเทลงไป แต่แดงลงไปเฮ้ยนี่ได้เห็นหน้าตาวัดป่าชูกโตเกือบตายเกือบไม่เห็นมาเห็นที่นี่ก็น่าชื่นใจแมนบอกพระทยกจงกลมจงเห็นหน้าตาชูกโต ว, ว่เป็น ห, หน้าตาวัดป่าชูกโตแต่ก่อนหลวงพ่เอาตอนไม้เป็นเพื่อนเดี๋ยวนี่มีเพื่อนนั่งอยู่นลยแม่นบอ ทำไมก่อนอยู่พื่อเดียวเอาต้นไม้เป็นเพื่อนเป็นมิตรเอาไก่นอเนเป็นหมูไก่น้อนมันร้องแม่หนาวแม่มาขึ้นตน้นน้อยมันล้องขึ้นจาก ต, ตน้นไม้แม่มาได้นล่าสีพี่เด็กก็นอนอยู่สลายไก่ก็นอนไม่หลับว่าดูมันก็มด อ, อยู่ใบไม้อยู่ก็เลยจับกันมามาเกอดไว้เป็นนอนกอดไว้ เขาอุ่นใจนะมีไก่น้อยนอนกอดบางีก็กอดนอนเดินมาเห็นต้นไม้เห็นเจงเห็นไก่ปา่าเห็นเพื่อนกันการลกก็ลงมาเยี่ยมเจ้งมาฉบดทางฉบัดหัวชจอ่าพระเอกที่นี่เอามาโชว์ให้ดูมาเดินโชว์ วันนางโชคือพยาลอ่อมาเดินโชวเหมือ น, นกับมาถามกลับมาที่ไรกวดฉลากไก่เอาไม่กวดไม่มีนะใช้ก่อนเอาผ้าขัดขาดปลุกไว้แจงไปขูขดขาดขูกขไก่ก็ขันมาไก่ก็อยู่มาเก่งมาเออมาแล้วเด้อเราก็มาแล้วามา ก็จริงนะเป็นเพื่อนใช่ไหมสามสิบปีก่อนสามสิบปีก่อนต้นไม้เป็นเพื่อนดมเดินขึ้นป่าอดตเบอร์แปดเดินล 10, 4, 5, 6, 7, แล้วมาสุบสีสิบห้าจูเกิดรอบในเชนี่มีทางเดินเชนี่ให้มีวหนกระตวันนี้มาดูต้นไม้เห็นต้นม้เอาต้นไม้เป็นมิตรเป็นเพื่อนเดี๋ยนี่มี กันระยะนิตดมีแขนมืมือช่วยกันแยกไปโยมมานั่งจุดไหนก็หฝากผีฝากไข่ต่อกันละกันเนาะให้เข้าถึงถิ่นถึงทรรมเปน็นเดียวกันตีฉุดือเหนือ ก, กันเคยเจ็บตายนู่นตอนนั้นสงสัญญาสีบุคคลเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูปกปฏิบัติธรรมให้นสงฆ์ถึงนู่นแหละ เป็นอย่างนั้นลงตรงที่ผ่านมาอย่างมากโศกมากหมายโทคโสนมาจุดลงที่สัญญาชีบุคคลคือไม่เป็นอะไรกับวลารน ะ, ะจบแค่นี้กับพระพร้อมกัน